بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن يهدي الله فلا مضل له و م ن يضل ل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله รับช رح لي صدري و ي س ر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ب ك أصبحنا وبك أمتينا وبك نموت وبك نحيا وإلهيكن نشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك مستطاع Salt, อับุอุ ك กับในอัลลอฮฺอาลัย ي ละอับ ل บิดามบีฟักฟิร์ลีฟะอินนุลายาฟิ ن ุนอบัลลัแอนตะอัลล السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสทุกท่านครับบารัมดุลิลละก่อนอื่นต้องชูกรขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้กล่าวว่างี้ขอบคุณ a l l a นะอัลฮัมดุลิลนี่นะเป็นขับเป็นสับคำเดียวที่ a ลล a h พอใจที่สุดอัลฮัมดุลิลขอบคุณ a ลล a h ที่เราได้ทบทวนคูอ่านพี่น้องถ้าจำนะมีประโยชน์เยอะมาก แต่เราเป็นคนลืมเก่งเอาละได้ผ่านหูผ่านหูสักครั้งหนึ่งก่อนตายนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเราทบทวนกุรานมาถึงอายะที่บอกว่าว่านการดาบหัวการดาบุลอาลีมว่านับบิฮุมอัมไบฟิอิบรอฮิม พูดถึงการความเมตตาของอัลลอ์พูดถึงการลงโทษของอัลลอ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดการลงโทษมีจริงความเมตตาของอัลลอ์ก็มีจริงแล้วก็เนี่ยที่เราได้รับริสกีของอัลลอ์วันนี้ก็มาจากอัลลอ์ทั้งหมดไม่มีเขาเรียกวนะ่าอะไนไม่มีโต๊ะ สิ่งสัก์สิทธิ์ใดๆในโลกมอบริศกีให้เราไม่มีที่เชื่อแบบนั้นนะเาเรียกว่าเชื่อผิดพอเชื่อผิดก็คิดผิดแล้วก็ทำผิดแต่ที่จริงทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอ์ทั้งหมดเลยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอ่านอายาสุดท้ายอายาที่ห้าสิบเอ็ดจากสุรอัลฮิจรวานับบิฮุม อัมบอยฟีอิบรอฮิมแปลว่าจงแจ้งมุฮัมมัดเอ๋อจงแจ้งคือแจ้งให้มนุษย์ทราบให้สัฮาบานะบีทราบให้ทานาบีไม่อยู่ก็ให้สัฮาบานี่แจ้งกับตาบียนินตาบียินไม่อยู่แล้วพวกเราวันนี้ก็ให้ผู้ที่อ่านคุรานเนี่ยอุลมามะผู้รู้เนี่ย ให้แจ้งพี่น้องชาวบ้านให้รู้อันดอยฟีอิบรอฮีมเรื่องแขกเรื่องของแขกคําบอใบหแปลว่าแขกถ้าหากว่าอาลัลลอฮฺเล่าเรื่องแขกไว้ในกุรพาตเนี่ยแสดงว่าการต้อนรับแขกนั้นเป็นศาสนาอย่ามองว่าการต้อนรับแขกเป็นเรื่อง ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่อะไรที่อยู่ในคัมภีร์กุรานทั้งหมดเป็นของดีทั้งหมดเลยใคทั้งการต้อนรับแขกเนี่ยหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าคนที่ต้อนรับแขกคนแรกของโลกนะ่ะคือใครเอาของโลกนะนะไม่ใช่ของทวีปนะของโลกคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามิลลัยานีละว ن น ب ِบบิ ه ُ มามาเตอจงแจ้งไงแจ้งแจ้งพวกเขาเหล่านั้นแจน้งบรรดาซอฮาบานะบีรือแจ้งคนกาฟิรีนมุชูริกีนทั้งโลกนั่นแหละให้รู้ว่าการต้อนรับแขกเนี่ยของโลกนั้น ใ, นใครไม่ใช่ฝรั่งคนต้อนรับแขกของโลกคนแรกคือนบีของอัลลอฮ์ชื่อว่าอะไรนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาม ผมเอาเอาการต้อนรับแขกของนบีมุฮัมมัดเนี่ยจากหลายๆหลายๆลายอายานะมารวมกันได้ข้อสรุปว่ามีทั้งหมดมีทั้งหมดเนี่ยเก้าเก้าข้อด้วยกันเรือการต้อนรับแขกมีทั้งหมดเก้าข้อนะครับเอาเล่าให้พวกเราฟังนะข้อที่หนึ่งแขก ที่มาที่บ้านเราเนี่ยนะจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเวลาทักทายกันเนี่ยให้กล่าวว่าไงนะอัสซาดามุอะลัย As กุมแขกแขกต้องเรียนอิสลามด้วยเวลาจะเข้าบ้านหนึ่งบ้านใดเข้ามัานใครก็ตามเนี่ยต้องไปยืนหน้าบ้านเขานะอย่าเพิ่งเข้าพวดพลาดอัสซาดามุอะลัยกุมแล้วก็ให้กล่าวอัสซาามุอะลัยกุมนะ สามครั้งขอทีหนึ่งสาวะอะไกลุ่มยังไม่มีเสียงอัสาาลามวะอะไกลุ่มถ้าหากจะยืนรอเนี่ยให้รอนานเท่าใดนานเท่าไรยืนรอนานเท่ากับเขากำลังนม า, า, าศีระกาอัดไม่ใช่สองนะสี่นี่เป็นมารยาทอ่า น, นแขกเนี่ยต้องเรียนร่เรื่อ ง, งอิสลามด้วย ไปยืนหน้าบ้านเขากดอ่อนแล้วไห้สลามแล้วเอไม่เห็นเสียงตอบเนี่ยอย่าชุนอย่าฉุนอย่าโมโหอารมณ์ขึ้นดูสิเรามองเราจะสำคัญไหมวนะน่ะโอโ้โหมายืนหน้าบ้านดูสิเจ้าของบ้านไม่สลามไม่รับไม่ออกมาต้อนรับนบีสั่งให้เรายืนนานเท่ากับเจ้าของบ้านนามาศเสียระกาหยืนรอประมาณสักหานาทีหรือสนาที อย่างนี้ถ้าหาไม่มีเสียงตอบเนี่ยกลับเลยแต่นี้น บ, บีอิบราฮิมเนี่ยสอนสอนไว้ดีทั้งหมดนะ <c oughs> ให้ไม้ให้ให้สลามให้กล่าวสลาม <c oughs> ทีนี้ข้อที่สองเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยนะ <c oughs> ต้องเชิญแขกเข้าบ้านนะเชิเชิญเชิญเชิญแต่นี้ห้องรับแขกบันเรามีกันทุกบ้านนั่นแ ห, หละอัลฮัมดุลิลละรู้หรือเปล่าว่าการต้อนรับแขกนเป็นาศาสนาต้องเข้าใจนะ น บ, บีสอนอยางงี้มังกนะ์ะนายุมินุบิลลาฮิวาลยาุมิล akhir ใครที่สัตท่าต่อ Allah แล้วก็สัตท่าต่อวันอาคิราสัตย์ท่าต่อล l l a h และสัท่าต่อวันอาคิเราะฟัลยุคริมเขาจงให้เกียรติอิครอมนะ่ะยุคริมหมายถึงอิครอมจงอิครอมใครโอยฟาหูแขกของเขาเนี่ยเป็นปเด็นเป็น นะมีผลลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์กาต้อนรับแขกเนี่ยโอ้แล้วทำดูแลห้องรับแขกควรมีแล้วก็อย่ามีรูปภาพโป๊ๆภาพอะไรเยอะๆนะไม่มีอาจจะมีก็มีอายะห์อัลกุรอานวางไว้สักหนึ่งอายะห์หรือไม่ก็มีอะไรนะของที่อัลลอ์ไม่ห้ามะนะครับนะครับก็มาแปะไว้ตอนรับแขกห้องสะอาดๆนะแล้วก็เชิญแขกเข้า ทีนี้พอเชิญแขกเข้าเข้าแล้วเนี่ยนะควรจะอินดวบีอิบรอฮิมทำเป็นแบบเลยนะควรจะปล่อยให้แขกเนี่ยนั่งเฉยๆสักสองสามนาทีแล้วก็จะของบ้านเนี่ยเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในไปเลยให้แขกอยู่อย่างอิสระ้เขาได้อะไรนะได้ขยับเสือ้อได้ขยับ อ, อะไรแต่อะไรให้มันหายใจให้มันโล่มหน่อยใช่ไหมคนเดินมามันก็เหนื่อยใช่ไหม รับลงมาก็เหนื่อยพราะเข้ามาบ้านก็ปล่อยให้แขกนั่งนั่งคนเดียวหรือสองคนนะก็มากี่คนก็ตามปล่อยเขาอิสระสักสองสามนาทีสิ่งแรกที่จะต้องคิดจาของบ้านคือต้อนรับแขกทํำยังไงนะไปอิบรอฮีมเนี่ยทาเป็นตัวอย่างไว้จัดเลยจัดเลยจัดอาหารมาน้ําอย่างนึงอย่างน้อยก่อ น, น้ําก่อนอา ม, มาวางไว้เป็นการต้อนรับแขกนะครับแล้วก็หายหน้าไปสักสอสามนาทียังให้แขกเห็น เดินวุ่นอยู่ในบ้านเนีย่ยยา้เห็นพอแขกเห็นเกลีใจอ่ะโอ้เรามาเนี่ยอึดอัดโอ้สั่งความรำคาญเนีกับแขกอย่าให้เขาเห็นเวลากำลังจัดการเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องน้ํเนาเรื่องแก้อะไรก็ตามใช่ไหมแล้วนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ได้บอกให้คนที่บ้านรู้ว่าแขกมานะจัดการคนเดียวอา้าวอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องบอกให้ภรรยารู้แล้วก็จัดเองก็ได้ไม่อนะไรไป แค่น้าแก้วหนึ่งใช่่ะแล้วก็มีอภรณ์ อ, อาหารก็พาเอามาตอนรับแขกใช่ประการที่สามนาบีอิบรอฮิมไม่ได้แจ้งให้คนในบ้านจัดอาหารแต่ท่านจะจัดการด้วยตนเองโดยไม่ให้แขกรับรู้นี่เป็นข้อที่สามนะครับข้อที่สีนบีอิบรอฮิมให้แขกเนี่ยนั่งพัก สักครู่หนึ่งปล่อยให้แขกนั่งพักสองสามนาทีนี่ข้อที่สี่แล้วนะข้อที่ห้านะบีอิบราฮิมนําเอาอาหารที่ดีที่สุดที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอาออกมานบีอิบราฮิมเนะี่ยรู้ไหมวันที่แขกมาวันนั้นอนะ่ะที่เป็นมลายิกาน่ะนะไม่รู้เพราะแต่งมาในรูปคนอนะ่ะก็ไปเชือดแพะนะเชือดแพนะ แ, พแล้วก็ย่างแบบไวๆนะ แล้วก็เอาอะไรนะเอาแพะเนี่ยอย่างดีเนี่ยเอามาวางไว้ต่อหน้าแขกใช่ไหมแล้วก็สังเกตแขกแขกไม่ทานน่ะแขกไม่ทานเพราะแขกไม่ทานอานาานนาบดอิบรอฮิมพูดอย่างนี้นะดีข้อที่หกนะพูดว่าไงนะอัลาตะกูลุลวนวลาเชิญแขกทานอาหารเนี่ยอย่าพูดคําว่ากินสิกินกินกินเชิญสิเชิญสิไม่เอา นี่ภาษาคุรานว่าไงนะอาลาตะกูลูนทําไมท่านไม่ลองชิมอาหารนี้ล่ะนี่เป็นภาษากุรานเลยนะจากนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยควรเชิญแขกให้ทานอาหารอย่าใชาภาษาบังคับแต่ให้ใชาภาษาอะไรนะเป็นคําถามอาลาตะกูลูนทําไมคุณไม่ชิมอาหารนี้ทําไมคุณไม่ทานอาหารนี้อาหารนี้อร่อยต้อพูดนี่เอ า, า, ากุรานไปใช้นะ นี่เอากบเอากุรานมากำกับชีวิตนะ่ะโอ้การตอนรับแขกคนห้ามดดลเลยละเอาต่อมาข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเมื่อแขกทานอาหารให้เจ้าของบ้านแสดงความดีใจนี่เป็นสุ น, นนะัขนบีอย่านึกละ่ะแขกกินเยอะจังลูกยังไม่ได้กินเลยอย่านึกภาษานี่อย่านึกเลย พอแขกทานดีใจอลัลลอฮฺแสดงความดีใจนบีอิบรอฮิมสแสดงความดีใจเมื่อเมื่อแขกทานแต่แขกทานว่าแขกคนนี้ไม่ทานนะ่ะพอแขกไม่ทานก็มีความกลัวนะครับมีความกลัวเอแขกนี้จะมาดีหรือมาอได้นะครับข้อที่แปดนบีอิบรอฮิมถ้าแขกไม่ทานอาหารนี่นะแขกจะต้องพูดดีๆอย่าให้เจ้าของบ้านเสียใจ เอ่อมาลายิกาเนี่ยมาลายิกาเน่ยที่มาหานเบียยิบรอฮิมเนี่ยพูดดีคือบอกให้รู้ว่าฉันนี่นะไม่ใช่คนฉันนี่เป็นมาลายิกะนี่อาการพูดจาดีๆเช่นแขกถือสินอดยกยกตัวอย่างเรามาที่บ้านใครคนหนึ่งเขาก็ต้อนรับดีแล้วบอกว่าฉันฉันบวช น, นะครับฉันไม่ได้ถือสินอดนะแต่อย่างนี้เป็นต้น หรือเราไม่ได้ถือแต่เราทานอาหารไม่ได้เราก็บอกว่าท่านครับขอบคุณมากเลยอาหารคุณดีมากวันนี้จต่ผมทานต่อพูดดีๆนี่เป็นาศาสนาทั้งหมดเนี่ยด้านการพูดจาดีไม่ทานอาหารบ้านเจ้าของที่ก็ต้อนรับแล้วเราไม่ทานเพราะเราเจ็บป่วยหรือไม่สบายอะไรก็ตามแต่แต่ให้พูดจาดีๆนะนี่ข้อสุดท้ายนะครับมนยบีมุมมัดสั่งเลยนะข้อ9้าเนี่ย เมื่อเมื่อแขกจะออกเนี่ยต้องเดินไปส่งแขกอ่านี่เป็นมารยาทอันดีที่สุดเลยนะเดินไปส่งแขกที่ไหนยังยังถ้าเราเดินไม่ไหวก็เดินไปแขกส่งแขกถึงหน้าบ้านประตูถ้าที่ดีที่สุดก็ไปส่งขึ้นรถถ้ามีเรือก็ส่งล้มเรือนะครับแล้วก็ขอดถอายต่อร้องใช่ไหมขอให้เดินการเดินทางของคุณนั่นเดินทางกลับบ้านปลอดภัย เนี่ยเป็นมารยาททั้งหมดแล้วมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เวลาทําอย่างเนี้ยทําของทั้งหมดอย่างนี้นะคิดยังไงคิดภาพอาคิร้อนอย่างเดียวเลยตอนรับแขกหนึ่งคิดภาพอาคิร้อนนะอีมานั้นวัดดิสาบันตอนรับแขกครั้งเนี้ยให้อีมานเราเพิ่มแล้วก็หวังผลบุญตอบแทนจากอ AH. ัลลอฮ์ سبحانه และตาอัลลเจ้านั้นอะไรก็ตามที่เป็น ที่เป็นศาสนานี่ยให้นึกอย่างเดียวอิมานเพิ่มหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุฮานะฮูวตาตะลาทั้งหมดมีอยู่เก้าข้อด้วยกันนะครับเอาของนบีอบรอฮีเอาของนบีมุฮัมมัดเอาของน บ, อองนบีอื่นๆนะครับมารวมกันได้เป็นข้อสรุปว่าเราวันนี้นะโชคดีนะที่มีบรรดานาบีก่อนหนะ้าเราต้นรับแขกไว้เป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วเราเพียงแต่เจริญรอยตาม แล้วก็เนียดให้ดีให้สะอาดแลวมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺแต่บางคนนะแขกไม่มาบ้านนาบีสั่งนะในบ้านเนี่ยอย่าให้มีรูปอะไรนะรูปภาพเนี่ยรูปปิญญาที่เราจบจบปิญญาตีจารามคาแหงเนะ่ะอย่าแปแปะใส่อันงในบ้านไว้แล้วก็เลี้ยงหมาเอาหมาไว้บนบ้านเนี่ยแขกไม่อยากมาหรอก แต่มุลมะมีบางคนพูดว่านะไม่ได้เลี้ยงหมาแต่เจ้าของบ้านทําตัวเป็นเป็นหมาซะเอง <c oughs> แขกก็ไม่มาไม่อยากเข้าบ้านมาแล้วก็โหฟิตตนาใส่ร้ายนินทา่าพูดโ อ, โอ้เยอะไปหมดเพราะนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยสังเกตนะบ้านใครก็ตามถ้ามีแขกมาเยี่ยมเยอะๆบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีบารากัศสังเกตง่ายๆ แขกไปใครมาเยี่ยมแล้วก็ต้อนรับดีและอีกอย่างหนึ่งนะนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยเป็นคนที่ต้อนรับแขกที่ดีที่สุดนี่อัลลอฮ์เล่าว่านบีอิบรอฮิมเป็นคนต้อนรับแขกที่ดีที่สุดเลยฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับ <S <S นะว่าน บ, บีฮุหมามบอยฟีอิบราฮิมและมุฮัมมัดเอ๋ยจงแจ้งข่าวทั้งหลายนะครับแจ้งข่าวเขาทั้งหลาย ถึงแขกบอยฝุ่นแปลว่าแม่มานในภาษาอครดูในภาษากรีกว่างไงนะ yes. เกสต์แขกนะครับแขกของใครครับแขกของนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามอิศดะขอลูอัลัย์ฟะกวลูสัลามะกาลอินิมิงกุมวาจิลู เมื่อพวกเขา is is แปลว่าเมื่อดาคาราดาคาราดาคารูเมื่อแขกเข้ามานะครับเข้าไปหาใครอาลาอฮิเข้าไปหานบีอิบราฮิมเมื่อแคกเข้าไปหานบีอิบราฮิมหมายถึงเข้าบ้านนบีอิบรอฮิมเนี่ยฟากอลลูซาลามาพวกแขกกล่าวว่าไงนะสลาหมายถึงอัสซลามูอาลัยกุมใช่ไหม เขาจะบอกว่าการให้สลามเนี่ยมันจะเกิดในสมัยนบมีมุฮัมมัดมีมาแต่สมัยนบีอิบรอฮีมอลัยฮิสสลามนั่นแหละนบีนว่าน่ะน บ, ะน บ, ะนบีอะไรนะอาดัมคนแรกของโลกอ่ะอัน น, นมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ภรรยาเราเหมือนกันออกไปนอกบ้านเข้าบ้านก็ให้สลามสามีก็เหมือนกันออกนอกบ้านเข้าบ้านให้สลามอัสสลามอัลัยฮิม ลูกเราก็เหมือนกันไปโรงเรียนกลับมาตอนเย็นอัสสลมามมอะไรกุ้มใช่ไมจะท่านการกล่าวสลามนี่เป็นาศาสนานําบระกาศให้กับครอบครัวตัวเองถ้าเป็นแขกด้วยต้องอัสสาาลามมอะไรกุ้มแต่วันนี้ก็มีกฎกระดุงกระดิ่งใช่ไหมมีนู่นมีนี่มีการคงคงเคาะประตูประตูกันอ้าวนี่ทั้งหมดแล้วนี่เป็นสุ น, นัขนาบีทั้งหมดตะกี้นี่บอกแล้วว่าอะไรนะให้ยืนรอ เป็นแขกนานเท่าไหรนะนมาสีละก็อัดมีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> นบี ม, มุฮัมมัดเนี่ยไปเป็นแขกของบ้านซอฮบะซอฮบะ น, นาบีก็พอเห็นนบีมาก็ดีใจนบีก็อัสสลามอวยคุ้มท่านก็แอบเฉยนะรับค่อยๆวะไลกุมุสลามนบีก็อัสสลามอวยุม ให้ถึงสามครั้งซอ บ, บ้านนาบีนี่ก็รับถึงสามครั้งแต่รับค่อยๆนบียืนรอเท่ากับยืนนมาศร้องอัตนะนบีเดินกลับคนเดิกับวา่าอะไรกุ ม, มุสลามนาบีเชิญเชิญนบีถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนอ่ะฉันรับสลามค่อยๆทำไมฉันอยากให้นบีนะ่ะกล่าววาอะไรกุ ม, มุสลามขอความสันติจงประสบกับฉันเนี่ย ออกมาจากปากท่านนาบีเห็นไหมฮัลโหลอัลกุราท่านของที่นบีพูดออกจากปากนบีน่ะมีบรกการหมดเลยอะใช่ไหมแค่ท่านอยากให้นบีพูดว่าอะไรกุมุสลามว่าอะไรกุมุสลามว่อะไรกุมุสลามหลายๆครั้งหลายๆเที่ยวเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราเราอย่าทําเพราะว่านบีคร้ายๆก็อยากจะอยู่ใกล้นบีคร้ายอยากจะให้นบี ขอดูา อ, mm hmm. อาให้อยากอยู่แล้วนี่ซอบ้านนบีก็ทำกันอย่างนั้นนะอ้าเล่าไว้จ้าเป็นน้องฟังนะครับอิศดะขอลูอัลัยฟะกอลูสลามะเมื่อแขกนะครับเข้าไปหานบีบรหีมแขกกล่าวว่าไงนะสลามสลามแปลว่าอัสสลามวะลายกุมนะแหละเป็นน้องก็แล อินนามิกุมวาจิลูนและนบีอิบรอฮีมกล่าวว่าไงนะแท้จริงเรากลัวท่านนี่กุรอ่านเนี่ยเล่าย่อๆนะกลัวตรงนี้หมายความว่าหลังจะเข้าไปนั่งในบ้านแล้วเอาอาหารมาตอนรับแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอาหารที่เอามาวางไว้อะแขกเนี่ย ไม่ทานอาหารพอไม่ทานอาหารปัาบเนี่ยนบียบบรอฮีเป็นเจ้าของบ้านอวาจีลูนแปลว่ากลัวอ่ากลัวกลัวคําว่าวาจีลาเนี่แปลว่ากลัวกลัวใช่ไหมวะเอ้เนี่ยเป็นแขกจะมาดีหรือมาได้เนี่ยอุตซาต้อนรับอย่างดีทําอาหารเลี้ยงอย่างดีไปเชือดแพะแล้วก็ย่างแพะอย่างดีมาต้อนรับพร้อมกับน้ํา แขกไม่ทานเพราะอะไรกลัวควําว่าวาจิลูเนี่ยมีคมําำมีซ้ำอธิบายอีกอย่างนี้คนที่ทําความดีอยายพี่น้องนามาศุบอวันเนี้ยนามาศุบอแล้วก็นามาศอะไรนะแต่ฮัดยุดเมื่อคืนนี้แล้วก็ออกมาจากบ้านอ่านดุอาขันขึ้นรถอ่านดูอามาถึงมัสยิดอ่านดุอาเข้ามัสยิดโดยเท้าขวา มานมารให้เกียรติมัสยิดแล้วก็นมสัสาโซโบอสองแร้ก็อ่านแล้วฟังตบทสิจใจมานึกอลัลลอฮฺรับผ ล, ลบุญเราหรือเปล่ากลัวฉนั้นอวะจีรูเนี่ยแปลว่ากลัวเนี่ยกลัวว่าอาลัลลอฮฺจะไม่รับผ ล, ลบุญด้วยเหมือนกันฉนันมุหมินต้องนึกทําความดีแล้วอย่าอย่ามั่นใจว่าอาลัลลอฮฺรับของฉันแน่แน่งานนี้ต้องนึกอย่าอัลลอฮฺ อ, อลัลลอฮฺรับหรือเปล่า บางทีบางคนมาเนี่ยนะมาทำความดีนะแต่ทำความดีเพื่อการโอ้อวดมีไหมบางคนมีบางคนทำเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่ไอคนที่หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็กลัวอีกไงกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับความดีที่เราปฏิบัติรวมไปถึงนะพี่น้องปฏิมานามาตอีกกันนะ่ะการแจ้งใช่ไหมนะ่ะถือสนอดมาหนึ่งเดือนเต็ม พอมานามาอีสการแจ้งก็นึกยาอาัลลอ์เนี่ยที่บวชมาสามสิบวันหรือยี่สิบเก้าวันเนี่ยอัลลอฮ์รับความดีของฉันหรือเปล่านี่อุวาจิลูคำนี้เหมือนกันแปลว่ากลัวว่าอาัลลอฮ์จะไม่รับความดีนะครับกอลาอินนามิงกุมวาจิลูนนบีอิบรอฮีมกลัวนะครับกลัวแขกว่าเอเนี่มันมาดีหรือมา้ายเพราะว่า ให้อาหารแล้วนำแพะย่างอร่อยอร่อยมาวางไว้ทำไมแขกไม่ทานและอย่างหนึง่งความจริงเนี่ยคำว่าซาลามุนเนี่ยมันน่าจะพอแล้วใช่ไหมนะนี่ตับเสียอธิบายดีนะนบีแขกบอกว่าซาลามุลซาลา ม, มาอะไรากุม่มฉะนั้นที่เขาว่าให้สาลามเนี่ยแสดงว่ามานี่นนะมาดีนะไม่ใช่มาได้นะ ขอความสันติจงประสบกับท่านแะ่นั้นเจ้าของบ้านมันต้องนึกโอ้เข้ามาดีเนี่ยใช่ไหมให้สลามก่อนเราก็รับวอาไว่เลยกุมสสลามน บ, บีก็สอนเด็กพอให้สลามแล้วเนี่ยเวลารับสลามควรรับสลามให้ยาวกว่าแขกที่ให้เอาเช่นแขกว่าไงนะอัสลามอัยกลุก่มรับว่าไง ว وعلىكم ا ل มา ا م ล ر ح م ะ الله يا طابريك و ب ر ك ต ت กได้เท่าไรสามสิบสามสิบผลลบุญถ้ายิม้มอีกรอยหนึ่ง <c oughs> ถ้าเบึ้งกว่าสามสิบถ้ายิ้มด้วยดีใจแขกมาบ้านฮัมดุลิลลายิ้มตอนรับภูมิใจยิ่งแขกคนสกคัญสำคัญมาใช่ไหมมเอาอาเลมอลมากมาเที่ยวบ้านดีใจเลรอเชิญเชิญ ยิ้มใช่ไเนี่ยได้รางวัลตอบแทนจากอัลล์เยอะมากแั้งว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เราออกจากบ้านไปเยี่ยมแขกกันตอนรับแขกเยี่ยมแขกใช่ไหมแล้วก็ฝึกตัวเราเองให้เป็นใครเป็นแขกด้วยแล้วก็ฝึกพี่น้องเราให้มีการต้อนรับแขกเพราะเป็นศาสนานะครับเอาต่อมากับกอลูลาทาวจัลนี่งะ แค่กล่าวว่ามาถึงมลาอิกากล่าวลาเต้าจัลอย่าได้นะอย่ากลัวลาเต้าจัลอย่าได้นะอย่ากลัวอินนานูบัสซิรุกะบิฮูเลมิอาลลมแท้จริงเรามาแจ้งข่าวดีอินนานูบัสซิรุกะนี่มลาอิกามาเนี่ยมาแจ้งข่าวดี อาสรุปง่ายๆก็แล้วกันว่ามาลายิกาลงมาจากฟากฟ้ามาหน้ามายืนอยู่บนโลกดุนยาไปนี่นมาได้สองอย่างนะอย่างที่หนึ่งมาแจ้งข่าวดีเอาของดีๆจากชานฟ้าเนี่ยลงมาบอกเล่าให้นบีฟังให้ทำํนทำนู่นทํานี้ทํานี่ทำนั้นนบีทั้งหมดที่มาในโลกเนี่ยมาลายิกาลงมาแจ้งข่าวดีทั้งหมดเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งมาแจ้งข่าวร้ายเอข่าวดีด้วยแล้วก็ข่าวร้ายด้วยอ้าวอย่างพวกใครอะอาดสมุทรนั้นมารายการลงมาเหมือนกันนะแต่เอาพายุมาให้เอาลมมาให้เอาแผ่นดินไหวมาให้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวว่าที่เซิร์นามิครั้งที่แล้วเนี่ยบางคนเล่าบอกว่าเขาเห็นตอนเช้า มีคนอยู่คนหนึ่งมายืนอยู่อลไรนะอยู่ชายทะเลแล้วก็ทําเงี้ยแล้วก็ภาพมันก็หายไปนี่ถ้าเป็นมองเป็นมาลาอิกานะมันก็ได้เหมือนกันนะอัลลอฮฺมั่นไส้เอาจัดการขยมตรงเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการมาของมาลาอิกานั้นมาได้สองอย่างมาแจ้งข่าวดีกับแจ้งข่าวร้ายอย่างนี้เป็นต้น นบีพูดอย่างนี้อลัลลอฮ์พูดนะ mm hmm. ไปหะดีสกุลเดซีอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่นะให้จะข่าวของดีๆลงมาข้างล่างให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนันน้นเรื่องดีๆทั้งหมดเรื่องร้ายเนี่ยนานๆจะให้สักทีหนึง่งแต่มนุษย์ได้รับของดีจากฉันจากอลัลลอฮ์หนเวลาทรงขึ้นข้างบนเนี่ย ส่งแต่เรื่องเร็วๆวฉั้นหมดเลยอ้าวจรได้ไหมจริงก็มีนะส่วนใหญ่นะส่งเรื่องไม่ดีจากข้างล่างขึ้นข้างบนนี่อย่างนี้อ้าวเนี่ยพอนมาสุโบเสร็จใช่ไหมบาลิกาสองอะไรนะสองกะกะเมื่อคืนนี้กับกะกลางวันที่จะมาเปลี่ยนเวรกันเนี่ยมาพบกันที่ที่ทททน้นมาของเราทีนี้บาลีกาก็จะนำเรื่องของเราเสีย เมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปข้างบนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วก็เล่าให้ฮะรอฟังว่าบ่าปทางี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ส่วนใหญ่นี่นะครับทําเรื่องชั่วอย่างเมื่อคืนเนี่ยทําอะไรกันบ้างนอกจากพวกเราอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมล่นะนมาตาฮยุดภาพอย่างงี้มันภาพสะอาดแตนนี้อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มกาฟิรินทาอะไรอ่ะเมาทําซีนาะ เล่นการพ น, นันอยู่ในบาร์ในคลับฉะนั้นพอมาริกาไปรายงานจะรายงานจะเรื่องดีได้ไมด่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหมดอลัลลอฮ์ตำหนิฉันอลัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเรื่องดีทั้งหมดลงมาให้กับมนุษย์ให้ออกซิเจนให้รีสกีให้ฝนตกลงมาให้อากาศเยน็นเมื่อคืนนี้ใช่ไหมแต่มนุษย์เมื่อได้รับรีสกีของอลัลลอฮ์แล้วแทนที่จะขอบคุณ อ, อัลลอ กับเอานําเรื่องไม่ดีให้มะลายกาพาไปเข้าเฝ้าอาลัลลอฮ์เรื่องเลวหมดเลยนี่อลัลลอฮ์จำเนี่พวกเราอแต่พวกเราเป็นคนดีนะทำดูแลแล้วที่นามาอ่านคุณอ่านซีครุลล์คุยดีๆกับภรรยาอบรมลูกใช่ไหมทั้งหมดเหล่านี้เป็นอัลมัติซอลแล้วทั้งหมดแต่มีกี่คนละ่ะประเทศไทยจะมีสักกี่หลังไงใช่ไหมสวนใหญ่ก็เป็นคนไม่เอาศาสนากันหมดนี่บางคนเมาย่งยังยั ง, ย, งยังไม่สาง ม, มีใช่ไหม ยังย no ังเมาไม่สรางเลยยังนอนอยู <j dad> da ่ม um oh yeah, <ına S 2> ุสมัยก่อนัเมาที่กุโบเนี่ยมีคนหนึ่งผมก็จําก่บญาติญาติเราที่แหละนอนมาอยู่ในกุโบเนี่ยอัลลอฮุอะัยุบัุลลาห์เราน่ยเดินมาเนสมาศุกร์กลับไปจากนมาก็ยังนอนเมาอยู่ตรงนั้นก็ขอทูอาตอเลาะอย่าให้มีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นนะทําเลิดอ้าต่อมาครับกอลูลาทาวจัล แขกกล่าวว่าย่ากลัวเลยอินนุบะชิรุกะแท้จริงเรามาแจ้งข่าวดีแก่ท่านนะซึ่งบิกลามินเด็กคนหนึ่งอัลลอฮ์มาแจ้งข่าวว่าคุณจะมีลูกดีใจไหมอัลลอฮ์อัลบาญคนแต่งงานมานานๆนนไม่มีลูกขออุดมอัลลอฮ์นี่คนไปสตูนมาไม่อยู่ ครอบครัวเนี่ยภรรยาเป็นลูกศิษย์ศาสนูประถมด้วยเนี่ยมาส่งผมขึ้นรถที่เนี่ยที่หดยาดใหญ่เ้วอาจารย์แต่งงานมาสิ ป, ปียังไม่มีลูกเลยเวลาผมขอดูอาวยาอัลลอก็อให้เพิ่มริสกีริสกีอาจารย์ต้องเนียดลูกนะ <c oughs> อย่าเหนียดเงินน่ะพอเงินมีแล้วต้องการริสกีลูกโองโค์ลอร์เห็นไหมฉะนั้น อย่าท้อแท้ อ, อย่าท้อแท้ใครก็ตามวันนี้ที่แต่งงานมาหลายปีแล้วลูกไม่มีอย่าเพิ่งท้อแท้ทแทเดี๋ยวทางรายการอ่ะส่งมาชาลลนะครับอินนานนบะชิรุกะเราจะแจ้งข่าวดีแก่ท่านซึ่งเด็กคนหนึ่งแล้วก็เด็กแบบไหนรู้ไหมอาลีมุนเด็กที่มีความรู้ โอ้นี่ถ้ามรัยกานะถ้าอัลลอฮ์เนี่ยนะแจ้งให้เรารู้ว่าลูกคุณที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นลูกอเล็มดีป่ะอัลลอฮ์อักบัดปื้มใจนะที่เราต้องการวันเนี้ยลูกที่ซอแล้วใช่เลยไม่ใช่แล้วลูกที่ซอนแรกเนี่ยปั้นกันง่ายๆหรือปั้นหรือปั้นยากยากอัลลอฮ์อักบัดอาจารย์อาบุลวาฮาบอยู่อัลมติก มาจากมาจากอินโดนีเซียเนี่ยท่านพูดดีน่ยท่านบอกว่าลูกครูกับลูกควายต่างกันลูกควายเนี่ยออกมาเป็นควายเลยไม่ต้องไปสอนนะเป็นควายเลยมีคงมีขาวเหมือนย้อมันเหมือนพ่อมันน่ะแต่ลูกครูเนี่ยลูกโตอิหมัามเนี่ยออกมาภาพเนี่ยเป็นอิหมั่มยังต้องเรียนหนังสือก่อนต้องผ่านขั้นตอนต่างเยอะแยะ กว่าจะมีความรู้อาเลียมอุลมามะเหตุนั้นมันต่างกันจะน่าเป็นลูกควายง่ายพวกเรานะเลี้ยงลูกให้เป็นควายหนึ่งง่ายแต่จะเลี้ยงลูกให้เป็นอาเลียมอุลมามะต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยทั้นขอบคุณนะพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาดีขนาดนี้นะอัลหัมมุลิเลอร์พี่น้องเลยสรุปง่ายๆนะเป็นควายง่ายจะเป็นคนง่ายเป็นควายง่ายและเป็นผีก็ง่ายทําชีริกจะเป็นผี ทำชีวิตนี้ก็ง่ายอ่ะเป็นคนนี่ ย, ยากแต่นะเป็นควายง่ายแล้วก็เป็นผีง่ายทำชีวิตเป็นคนเหมือนกันแต่ทำชีวิตทำบาปง่ายพี่น้องแต่เป็นคนจริงๆที่นี่ไงอารีมินบิกลามินอาลีมอลลอตแจ้งนะบอกให้มละลาฮิก้ามาแจ้งเด็กคนหนึ่งอาลีมุนที่มีความรู้อัลลอฮหมสแสดงว่า สรุปตรงนี้ก็แล้วกันว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรอิสฮารานบีอิสฮ า, า, า, สาแล้วก็เป็นความเป็นคนที่มีความรู้เพราะเป็นนบีของอัลลอฮ์สุพาหา์นูบะตาแลนบีมุฮัมมัดเรียนหนังสือป่าวไม่ได้เรียนนี่อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์อัลกรฉะนั้นเราจะทำตัวแบบมุฮัมมัดได้ไ้ยไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียน <c oughs> รอวัฮี วาฮีอัลละให้คนเดียวมูฮัมหมัดลลฺลลอะยนนนอกนั้นต้องเรียนทั้งหมดนี่ถ้าเข้าช่องผิรนะเสียคนเลยแต่ถ้าเข้าช่องถูกอัลลอฮฺอัลลออลลอฮฺดูดีแลท่านต้องขอดุทิศตอนละพ่อต้องขอดุอาให้ลูกเลยอุทาศบทไหนขอให้ลูกรับบานาฮับลานามินอัลวาจีนาวาซุรริยาตีนาปุรรอตาอ้ายุน ว่าจะแก้เรา للمتقين إمام ะิละ ا นี่ละคืนับีมุฮัมมัดให้พ่อเนี่ยขอ dua ให้กับครอบครัวตัวเองให้ภรรยาตัวเองมีศาสนามีอิมานโอ้พระัมดุดุลทีนี้กุลามินอาลิมนะที่บาดีนะหนึ่งฉลาดอ่า เวลาเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วยยานินทาอย่าเล่าเรื่องชาวบ้านให้ลูกฟังวิธีจะเล่านะให้เล่าเรื่องประวัติของนบีให้ลูกฟังลูกจะฉลาดสองเล่าเรื่องสุฮับบะให้ลูกฟังลูกจะฉลาดสาเล่าเรื่องตาบีอินคนที่ไม่เคยเห็นหน้านาบีแต่เห็นหน้าสุฮับบะเล่าให้ลูกฟังแล้วก็เล่าเรื่องเนี่ย อย่างไงยงไงอยก็อูดใช่ไหมในสมัยนบีแพะแกะนบีเลี้ยงอะไรใช่ไหมเล่าให้ลูกลูกฟังเนี่ยลูกจะฉลาดคนเล ย, เ, ยเขามีนะว่าอายุสี่ขวบเล่าอะไรสิบขวบอะไรสิบสองขวบเล่าอะไรใช่ไหมทำให้ลูกฉลาดฉะนั้นยานินทาครอบครัวอื่นให้ลูกฟังจะทำให้ลูกติดอักรากที่เลว อ, อย่าเล่าเล่าดังดียังเดียวเลยดีดีดีดด แค่ท่านแม่ท Mar ี่ฉลาดเนี่ยก็ส่งลูกมานมาสุโบนะบุกลูกมานมาสุโบน์แล้ปล่อยไว้อแม่ก็กลับไปประมาณสักยี่สิบนาทีแม่ก็เดินมารับลูกจากมัสยิดลูกเหล่านี้นะต่อมาเป็นอะเลมอุลามะหมดอินชาอัลลอฮ์มันอยู่ที่แม่นะครับอยู่ที่พ่อเหมือนกันนะครับกอลูลาตาวจัลนะครับอินนุบัชชิรุกับกุลามินอาลิม อายะที่ห้าสิบสี่กล่าอบชรตุมูนีอาล่อ ม, มัสซานียัลกิบรุฟะบิมะตุบชิรนุนนบีอิบราฮีมกล่าวว่าพวกท่านจะมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันให้ว่าจะมีลูกเนี่ยทั้งทั้งที่ฉันแก่ชราแล้วชราภาพแล้ว เป็นได้ยังไงแกแล้วเนี่ยจะมีลูกอรือจะมาแจ้งข่าวดีว่าฉันจะได้ลูกลูกที่อาเลมด้วยลูกที่ดีด้วยทวีปวิหิมค้านค้านว่างไงนะแก่แกย่างฉันเนี่ยจะมีลูกได้อีกหรอเมียก็แกแล้วเห็นไหมฉันก็แกเมีย ก, ก็แกกันนั้นหรือโอ้เห็นไหมพี่น้อง ไอ้คนแ ก, แก่จะมีลูกเนะี่ยมันก็หมดความหวังด้วยกันทุกคนนั่นแหละนี่เล่าถึงอะไรนะอะไรว่าตอบมี น, นิสัยของคนเดิมๆ เ, เนี่ยถ้าแก่แล้วเนี่ยเขาจะมีลูกไม่ไหวแล้วแล้วคนแก่นี่นะทูกณุณอานนะมัสนิยัลกีบารูฉันนี่นะอายุเยอะแล้วแก่แล้วชราภาพแล้วจะมีลูกได้ยังไงออามาพูดเรื่อง คนแก่กันเดี๋ยวนี้คนปวดกษะเซียนน่ะอายุเท่าไรไปปียังมีเยอะนะถามว่าคนปวดกเกษียนเหล่านี้นะ่ะทำอะไรหลังจะปวดปวดปวดกษียนแล้วท่านพี่น้องพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะปวดกษียณแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับหันหน้าเข้าห า, าศาสนาเข้าหาอัลลอฮ์โอเรื่องใหญ่มากครับ ฉะนั้นตอนแก่ๆเนี่ยนะต้องขอทูอา้าต่ออัลลอฮ์นะอยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันอยู่คนเดียวนี่นบีสั่งนะลาตัตรุคนีวาไฮดันอย่าอัลลอฮ์อย่าให้ฉันอยู่คนเดียวนี่ร่องป่วยดูสิลูกก็ไม่เข้าเมียก็ไม่เข้าโอแย่นะลูกหลานไม่เข้าญาติพี่น้องไม่มาเยี่ยมเรานะ่ยแย่นะแะ่นั้นขอทูอ้าดักไว้ก่อนยาอัลลอฮ์ แกชร า, าแล้วอย่างให้แกแบบแบบอะไรนะแบบไม่มีใครมาสนใจลาตัลุคเนียวัยดันโอ้ Allah อย่างให้ฉันแกแล้วไม่มีอยู่คนเดียวไม่มีใครสนใจเป็นน้องขอดุอาศตอลอดต้องขอประจำทุกวันทุววันทุววันทุววันแล้วคนแก่ๆอย่างเราเนี่ยเรียนศาสนาดีไหมดีที่สุดเลยมีอยู่คนหนึ่งสว บ, บ้านอบดบชื่อท่านกูับซ้อ กบใบซ้อ so. ชื่อดีนะ Goodbye, so. กูาบซ้อแกแล้วอายุไม่รู้ว่าเท่าไรแต่น่าจะเกินห0สิบขึ้นน่ะเดินมาหานาบิีที่บ้านเดินมาเดินมานาบิีถามว่ามาทำไมอะ่ะฉันต้องการที่จะมาเรียนศาสนากับท่านอัลลอฮ์นบีดีใจอะ่ะนบีว่เอานั่งนั่งนั่งน่งรูเ้เป่าคุณเนียดออกจากบ้านของคุณ มาฟังศาสนามาหาความรู้จากฉันเนี่ยเนียดคุณดีนะต้นไม้ที่คุณเดินผ่านหินที่คุณเดินผ่านบ้านพังพังที่คุณเดินผ่านหรือบ้านสวยๆที่บุญเคยเดินเดินผ่านแม้แต่ปลาที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยตามขออภัยโทษให้กับคุณตลอดเวลานี่ใครพูดเนี่ยอ บ, บีุลมฮัมหมัดแคทานเป็นน้องครับ แกแล้วอายุเยอะแล้วซบโบไม่ตือนก็มานาะนเรวสุดๆนะแล้วคุรานก็ไม่เคยจาอ่านนะ่ะดูตละครนะั่นะนะ่ะมวยเอาหนุ่มเกงตัวเดียวหนุงพภาคมาล่วเฮ้ยๆอยู่บนบ้านพอที <c oughs> ตัวดำดำมาอัดบุรีเลิกได้แล้วไอภาพต่างๆเหล่านี้พี่น้องแค่นั้นแกแล้วเข้าห า, าศาสนาของอัลลอฮ แต่งตัวสะอาดๆบ้านมัสยิดมานั่งอ่านอัานกูอ่านดิครูลอสพี่น้องแล้วคบกับคนดีๆอยู่กับคนดีๆอ๋อดูละครทําไมแต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ดูละครแล้วเพรามีทีวีภาคมุสลิมกี่ช่องสี่ช่องอ่ะแล้วก็อ้างว่าต้องดูละครทำไม่มีสิทธิ์แล้วนะสมัยก่อนยังพออ้างไหวใช่ไหมโดวนี้ไม่มีสิทธิ์แล้ว อัลฮัมดุลิลลาฮิดนั้นผมผมชอบเลยภาษานี่นะอัลมาซานิยัลกิบบรฉันนี่นะเป็นคนแก่แล้วชาราแล้วคนชาราแล้วต้องเป็นคนที่มีาศาสนามีคุณภาพให้หลานเนี่ยมันนั่งอ่านอุรอานให้แชร์ฟังอา้าวหลานมาเก็บตังค์ยเยอะๆ อ, อภัยไม่มีเก็บไปทาอะไรตั้งแสงสองแสงนะแต่ว่าบริจาคให้หลานไป เอาเรียกหลานมานั่งอ่านหนังสือเอาท่องดวอาเอาท่องดวอาเข้ามัสยิดเอาดวอาอะไรขึ้นรถว่ายังไงเอาเอาเอาให้ไปหาบาซบบาซิบบาทิบ่าิบ้าซิบบาซิีบาซิบนาซิบบาซิบบาซิบบาซิบบาซิ <c oughs> าพใช่าซิบบาซิบบาซบาซิบบาบีนะครับบาซนีบานแนานาบบาซิบาซิบเาซิบบาิบบาซิบบาซิบบามาซิบบาซามีลูกก็สงาัยว่าซินแก่ิบ่าซิบบาซิบบาซิาซิงบาซิบาซิบบาิบบาซิาาซิแบาซิานดูบิ สาวๆนะมีนะท่านโอกาสแต่งงานมีลูกไว้มีเราคนแก่นี่นะแต่ปิดยังดังอยู่นะนะโอ้ยยังมีคนมีผู้ใหญ่อยู่คนเล่าเ อ, อ้ฟังเขาแต่งงานกับอายุน้อยๆนะแข็งแรงเขาชุ่มก็ช่วยท่านคนแย่ๆแล้วลอขออนุญาตพระยาลองขอแต่งงานใหม่อีกคนนะถ้าเขาให้นะนะแต่ไม่ให้ก็อยู่บ้านนะท่า สกฟา บ, บีมาตูบาชิรูและเรื่องอันใดเล่าที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉันนะครับฟา บ, บีมาตูบาชิรูคนแก่ทุกคนแล้วแล้วแก่อายุแล้วมันก็หมดนะหมดสภาพนะแต่เรื่องอิมานต้องอย่าท้อแท้นะครับเอาต่อมาครับกอลูบาชรนาคาบิลฮัต กอลูบัชนาเกะบิลฮักเขากล่าวว่าพวกเขากล่าวว่าพวกอะไรกันเนี่ยที่กล่าวว่าไงนะเราแจ้งข่าวดีแก่ท่านความจริงนะบิลฮักกีในเรื่องในเรื่องจริงนะเรื่องมีลูกนะมันเรื่องจริงอย่าคิดว่าแก่แล้วแตะปิ๊บไม่ไหวแล้วจะมีลูกนะน่งไม่ได้นะไม่ใช่อัลลอฮ์สามารถให้คุณมีลูกได้เนี่ย ถ้าให้เราสบายใจขึ้นวะไอ้คนแก่ๆอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะมีลูกได้ด้วยอลองลองไปแต่งงานกับสาวๆดูสิอ่อาอัลลอฮให้นะแต่นี้ชาวบ้านดาอีกอ่าดูสิแกบ้านนี้เจียมตัวดูดูมันทำดูมันทำ <c oughs> เรียกว่าถ้าหัวอะไรนะถ้าหัวงูถูกได้อีก อย่างนอยนจะจะฟังาวบ้านเยอะฟังคุรานฟังคุรานและสบอาา่านนะครับกอลูบัชรนาเก็บบิลฮักกี้เราแจ้งข่าวดีแกท่านด้วยความจริงไม่ได้ในล้อเล่นไม่ได้ล้อเล่นนะเรื่องจริงฟาลาตะกุมมินัลกอนิตีนดังนั้นจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้หมดหวังให้ไหมนี่อัลลอฮสั่งนะอย่าหมดหวังอย่าท้อแท้ อย่าหมดหวังท่านไอ้คนที่ท้อแท้หัวใจนะ่ะมีไหมนะ่ะมีเยอะไปหมดคนที่ไม่เข้าใจอีมานนะคนที่ไม่อ่านกุรานนี่นะเวลามีปัญหานิดหน่อยก็ท้อแท้หัวใจหมดอนะ่ะแต่กุรานตรงนี้สั่งนะฟาลาตะกุลจงอย่าเป็นมนัลกนิตีนคนที่ท้อแท้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุรา ลงมาโทอแทนได้ไหมไม่ได้ต้องมั่นใจเลยอย่เอาลอฉันมั่นใจในอัลลอฮ์ผมไปนี่สตูลไปที่หาดยายก่อนมีงานสองงานแล้วก็ไปที่สตูลก็มีอย่างนี้แหละบรรยายทํากันนี่แหละมีคนก็ถามปัญหามาบอกว่าชั้นเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเยอะก็อดทนมาแล้วก็ตะวกักขุนมาตลอดมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์มอบหมายแล้วก็มีอีกอ ก็ทำไงทำไงก็ต้องอดทนต่อใช่ไหมล่ะนบีทั้งหมดเนี่ยที่มาในโลกนี้เนี่ยเผยแร่ศาสนามาน่ะทำของดีๆอลัลลอฮ์ทดสอบป่าทดสอบหมดเลยอ่ะเอานบีมุฮัมมัดถูกทดสอบจนกว่าจะตายใช่หรือไม่ใช่อัลล์ะทดสอบจนกว่าจะตายไม่มีใครที่อยู่สบายสักคนหนึ่ง มีปัญหาทั้งหมดเลยมีปัญหาปัญหาปัญหาปัญหาแต่นี้อาญานีนะ่ะสอนดีว่ลาตะกุมมินอลกอนในที่นี่อัลลอฮ์แจ้งข่าวมาจากฟากฟ้าเลยนะอยู่บนดุญยานี้มีความเดือดร้อนอะไรเนี่ยอย่าได้นะอย่าทอแทาลาตักนาตูมบิร์ห์มาติลละอย่าหมดหวังอย่าทอแทต่อความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาละเอาต่อมาครับ โอลว่าไม่ยากนุตนบีอิบราฮิมนี่อัลลอฮ์กล่าวว่านะว่าไม่ยักนัตุมิรราะหมัติรับบิฮิลลับดูลใครที่หมดหวังอันนี้เล่าให้ฟังเลยเป็นเรื่องจริงใครที่หมดหวังจาก ความเมตตาของอัลลอฮ์ใครที่ท้อแท้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับอิลลับบะลูนเว้นแต่เป็นพวกหลงผิดเท่านั้นคนหลงผิดคนคนไม่ดีคนคนนั้นคิดผิดเนี่ยคนที่หมดความหมดความหวังต่ออัลลอฮ์แล้ว ต่คนที่ท้อแท้หัวใจหมดความหวังคือคนอะไรนะคือคนเลวพูดง่ายๆเนี่ยเป็นคนเลวเป็นคนหลงบอลินหมายถึงคนหลงอ้าวผมขอยกตัวอย่างนะสักสามสี่ตัวอย่างนนนนเนี่ยคนจนๆเนี่ยคนที่มีคนจนกันแล้วกันนะถางว่าเธอไมแต่งงานนะ่ะคนจน ดูดุคราณะอียกูนูฟุครายุ غ ن ิมุลลาหุมิมฟาดุลิใครที่จนนะแต่งงานสิอลัลลอจะเพิ่มริสกีให้ริสกีของผู้หญิงก็มีใช่ไหมใช่พอมาอยู่กับเราเวลาริสกีน้อยพอ ไ, ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เก่งๆอลัลลอเปิดร้านพูดค้าขายริสกีมาเต็มไปหมดเลยเห็นไหม ถ้สังเกตนะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะส่วนใหญ่เรื่องธุรกิจเรื่องค้าคุ้มขายผู้หญิงนำหน้าผู้ชายผู้ช่วยส่วนใหญ่นะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งกับเบีรกุรอานนะอียาคูนูฟุกอรอถ้าเขาป่วยอ่ะเอ้ยถ้าเขาจนอะแต่งงานเลยอบูฮุไรรัลรอดีอัลลอฮ์อันบุซาบานะเบีมาฟ้องนะบีฉันฉันจนอันนัฟรเกีรนบีว่าแต่งงาน คอยไปแต่งงานในรีกรสกีมาอห้องดูแลใช่หไหมแล้วคนเก็บเงินได้หลังจากหลังจากนิกาเสร็จใช่ไหมตนนม้นนมนงใช้เงินได้มากระจายหมดพอ น, นิกายเสร็จก็นึกเลยอของเมียนี่ของลูกนะก็เก็บพร้อมรอมเรียบนี่ไงใช่ไหมกลายเป็นคนอทำดูแลร่ํารวยขึ้นมา ท, าทันทีเรื่องที่สองครับคนที่ทําบาปก็เหมือนกันอืคนทําบาป พอทำบาปเสร็จแล้วกวนนึกฉันเนี่จะไปสวรรค์ได้เฮ้เนี่ยเวลวถึงขนาดนี้เนี่ยอ้าวอุลัยสั่งเนียอย่าท้อแท้ต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ซอบ้านไม่ใช่ซอบ้านน บ, บีน บ, บีมุฮัมมัดเล่าถึงพวกบันิอิสลอยน์มีอยู่คนหนึ่งฆ่าคนมากี่คนที่แต่ยินที่เรียนเรียนกันมาเนี่ยเก้าสิบเก้าคน ฆ่าคนมาแล้ว99้าสิบเก้าคนนี่ฮะดิษนะแล้วก็ต่อมาเตาบ้าตัวสารภาพผิดเสียใจก็เข้าไปเห็นคนอาบิามันมีอาบิษกับอาลิมนะอาบิษก็คือคนที่ชอบทำอิบัตด์แต่งตัวยูนิฟอร์มเหมือนอุลามาเลยแหละไอ้คนนี้ก็ น, นึกว่าเป็นอาลิมอุลามาก็เข้าไปสั้างลามอนเลยกลุมท่านเป็นคนดี นมาที่มัสยิดหยุดเป็นประจำขอถามหน่อยฉันนี่นะ่ะฆ่าคนมาแล้วเก้าสิบเก้าคนฉันจะเตาบ้าตัวเป็นคนดีได้ไหมไอคนอาบิเนี่ก็บอกไม่ได้เพราะไม่ได้อันนี้ก็ลมขึ้นนะ่ะก็ฆ่ามาแล้วงกล้าแล้วฆ่าอีกคนหนึ่งกัตัครูนี่แหละไออาเบสคนนี้ฆ่าอีกคนนึงเป็นร้อย พอกลับมาถึงบ้ากนก็นั่งเศร้าอยู่เออฉันนี่ข้าคนมาแล้วร้อยคนก็ไปหาอาเลมนะ่ะเออไปหาคนรู้เอาเรามาท่านขา่าฉันนี่ข้าคนมาแล้วนะร้อยหนึ่งไอ้ร้อยหนึง่งเพิ่งฆ้าสวร้อนนี่แหละต้องการจะปรับปรุงแก้ไขเตาบ้างได้ไหมได้นี่ไงคนรู้คนที่กรจายศาสนาเนี่ยรู้ได้ได้ได้ไ ด, ได้ทำไงอ่ะต่มีข้อแม้นะคุณต้อง ย้ายจากเมืองนี้ไปอยู่อีกเมืองนึ่งไปเลยไปให้ไกลเลยแล้วเขาก็บอกเชื่อไปหาคนมาคน น, คนั้นคนนั้นคนนั้นอีกเมืองหนึ่ง <c oughs> ก็ออกเดินทางไปไปนองเลยหมู่บ้านตัวเองเกือบจะถึงหมู่บ้านโอลมาที่เขาแนะนาไม่ไปหาคนคนนี้เนี่ยมาถึงก็ไปตายอพอไปตายเสร็จแล้วเนี่มยมาลาอกาสองกลุ่มมาเนี่ยมาแย่งวิญญาณกัน อี ก, กลุมยังก็บอกว่าคนนี้เป็นคนเลวพ่อข่าคนมาแล้วร้อยคนมาเลยใกลก้กลุ่ว่าเฮ้ยมันตาบ้าตัวแล้วน่ะก็ทะเลาะ ก, กันเถียงกันอัลลอฮฺให้จิบรีน ล, ลงมามาวัดพื้นที่ถ้าหากว่าพื้นที่ใกล้กับคนดีที่เขาจะไปอยู่อาศัยก็ให้เป็นชาวสวรรค์เห็นไหเพราะเขาตาบ้าตัวแล้วถึงจะไม่ได้ทําความดีก็ตามตั้งใจแล้ว มาวัดพื้นที่อยู่ใกล้กับคนคนดีอลัลลอฮ์ให้ไปสวรรค์เลยนี่ไงอายานี้ตรงการจะบอกว่าอย่าทอแท้ตัวความเมตตาของอลัลลอฮ์ถึงจะเลวแค่ไหนก็ตามวันนี้สารภาพผิดยอมรับผิดแต่เตาบ้าต้องมีสามข้อนะหนึ่งอะไรนะเสียใจสองอะไรนะถอนตัวออกจากความผิดข้อที่สามอะไรนะไม่หันกลับไปตามความผิดเหมือนเดิมเนี่ย แก่แล้วจะไานึำตัวได้แล้วลงบุรีเลือกให้หมดพี่น้องยังติดบุรีอยู่อีกก็เหรพาบุรีติดลงไปพาไปทาไมพาคุรานดีกว่านะพี่น้องเอาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเนี่ยนบียูซุฟต้อตงการจะเล่านะพ่อนบียูซุฟชื่ออะไรนบียะไรยะอะไรนบียะคูบ จากลูกกี่ปีโอ้โหสิบปีเกินนะประมาณสามสิบกว่าปีอ่ะยูซุฟก็เศร้าน บ, บียากูบเศร้าไหมเศร้าลูกหายอ่ะโลหายไปเลยแล้วก็ข่าวก็มาจะแจ้งมาอย่างสมัยนี้ยังมีคนลงก็โหลได้ยังไงนี่หายไปเลยสามสิบปีพ่อก็เสียใจรองไงแต่ความหวังไม่หมด ท่านพูดว่าไงรู้ไหฟาซาบรุนจามีนอดทนอลัลลอฮฺอลัลลอฮฺจะนำยูซุฟเนี่ยมาหาฉันเห็นไหมขนาด30ปีน่ะ25ปีลูกหายไปยังไม่หมดความหวังทอแท่ต่ออลัลลอฮฺเลยเห็นไหมฉะนั้นคนมาได้แต่งงานวันนี้ฉันมัไม่เคยเอานะหรอก หวังอิชั่ลละเดี๋ยวผู้หญิงมาอาลัลลอฮฺมาอาลัลลอฮฺบางคนเขาแต่งงานเพื่จะดูแลเราก็มีใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เราดูแลเขาเขาดูแ ล, แลเราอัลลอฮฺมีคนป่วยอยู่คนนึงมีคนลาบบ้งนะขณะนอนอยู่นะนอนอยู่บนเตียงอะแล้วผู้หญิงก็มาในก้าด้วยคนหนึ่งมาดูแลมาเช็ดตัวว่าพอนข้าวอะไรแต่อะไรดีไหมทำดีละก็ะับก็เฉงขึ้นฉะนั้น อย่าท้อแท้อย่าหมดหวังต่อความเมตตาของอลัลลอฮ์และอีกเรื่องหนึ่งนะนบีอายุป่ปวยนคนที่นอนป่วยวันนี้มีมาเยอะคนที่นอนป่วยนะอย่าท้อแท้ใจนะอา้าวนบีอายุเนี่ยป่วยนะแปดปีนั่นขนาดนาบีอัลลอฮ์ให้ป่วยกี่ปีแปดปีลูกหนี้แล้วไม่เอาแล้ว สาพรายาก็ไม่เอาแล้วก็กิ่นเหม็นด้วยอะไรด้วยสารพัดตามมาแล้วเป็นไงพี่น้องญาติพี่น้องกล้ชิดก็ไม่ค่อยเอาพี่นออ้องขอนุ้าตอ Allah ขอว่างี้อัน้มัสานิยดุรุวะอันตะอร์ฮมุลรอฮิมีนข่อมาก่อนไม่ได้คอง ท้อไม่ท้อแท้ใจต่ออัลลอฮฺพี่น้องพอขอดุอาบุนี่ปั๊บก็ล้องไห้หายอ่ะอาบนุมอาบน้ํ า, นาัลอนให้ยิบรีนมากากับมาอ่ะทํางี้ทํางี้ทํางี้หายหมดเลยอ่ะนั่นขนาดป่วยมากี่ปีแปดเก้าปีท่านเราก็เหมือนกันน่ะพี่น้องอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังต่อความเมตตกับอัลลอฮฺรวมไปถึงลูกเราที่มาเอ า, าศาสนาวันนี้ ต้องการจะให้ลูกเราเป็นคนดีขอทุอา่าตอลรออย่าหมดหวังอย่ารอขอเถอะอัลลอฮ์ส่งลูกมาไม่ใช่นะลูกเราต้องดีนะ่ะอิชชาอัาลลอฮ์เราก็ขอดุอาด้วยอบรมด้วยเตือนไปด้วยเพราะอาญาณีสอนเราอย่าอะไรนะอย่าท้อแท้คนที่หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ต่างหากนั้นเป็นคนอะไรนะเป็นคนเลวเป็นคนหลงเป็นคนผิด เป็นคนที่อลัลลอฮ์ไม่ต้องการฉะนั้นอย่าทอแท้บาปแค่ไหนก็ตามอย่าทอแท้ไม่มีลูกเดยกอินชาอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาเดี๋ย ว, ยยวแต่งงานนะอินาอัลลอฮ์ป่วยเดี๋ยวหายป่วยนะมีความหวังตลอดเวลาครับต่อมาครับอายาที่ห้าสิบเจ็ดกอลฟามาคอตบูกุมอายูฮัลมุ ร, รุซลูนนบีอิบราฮิม กล่าวพูดว่าไงนะหลังจากความกลัวหายไปแล้วนะแขกมานั่งอาหารทานอาหารที่บ้านทเทแลวไม่ได้ทานรู้แล้วว่าเป็นมลาอิกะมาแจ้งข่าวดีพอใจสบายแล้วก็ถามบอกว่ามาวามาคอดบุกุมอายุฮะมุสลุนธุระอะไรของท่านหรือท่านผู้ถูกส่งมาเออหมดสิ้นบอกว่าผู้ถูกส่งมาหมายถึงมลายิกะที่อลัลลอ์ส่งมาเนี่ย คุณส่งมาอาลัลลอฮฺส่งคุณมาทำไมสบายใจแล้วก็ถามถามจริงๆ น, นี่มาทำไมเนี่ยมาหาฉันทำไมใช่ไหมอย่างอีกเป็นต้นอา้าวผมบอกในตอนต้นว่ามารายการมานะมาสองรายการนะหนึ่งมาแจ้งข่าวดีกับมาแจ้งข่าวลายอา้าวต่อมาอายาที่ห้าสิบแปดกอลูอินนาะอูรซิลนาะ อิละกามิมมุจิริมีแขกกล่าวว่ามละอิกาล่าวว่าแท้จริงเราเราเนี่ยอุศิลนาถูกส่งมาอย่างหมู่ชนหนึ่งกามิมมุจิริมีนหมู่ชนที่ทําผิดเห็นไหมหมู่ชนที่ทําผิดแต่นี้คนทําผิดนะคนแบบไหนก็คือคนไม่เอาศาสนา นี่วันนี้ในเมืองไทยเนี่ยเต็มเลยคนไม่เอาศาสนาเต็มไปหมดนะนี่อร่อยยังไม่ส่งมาเลิการมาเล่นงานนะ่นเน่ยส่งมามาหกเดือนที่แล้วนะน้ำท่วมใช่ไหมละ่ะรู้สึกตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะอัลลอให้มาแบบนิ่มๆแบบนิ่มๆโอ้ยไม่ได้ให้พรวดเนี่ยแบบสึนามิที่ไหนละ่ะนานๆแบบสึนามิที่มันไส้พวดตายไปเลยใช่ไหมผมเจอ คนหนึ่งที่ปไปครา้งนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะึงเซิร์นามิเนี่ยเราว่าลูกสุดท้ายที่จะขึ้นมาเนี่ยน้ำแห้งไปแล้วครึ่งชั่วโมงที่แรกน้ำมันขึ้นมาบนบ้านเลยเนาะมาถึงเอวอ่ะแล้วก็ค่อยๆลงๆไปลงไปลงไปลงไปอีกขึ้นชั่วโมงอ่ะมาอีกทีตอนนี้ตายหมดเลยวบโอรอให้ไหม โอ้นึกว่าจะไม่มาแล้วที่ไหนได้น้ามันลุกไปลงไปลงไปพอขึ้นมาอีกทิ้งตอนนี้โอ้ครึ่ชองชั่วโมงอย่างเงี้ยอาสาบอย่างนี้เนี่ อ, ลอัละลอฮฺบอกว่าน่ากลัวนี่ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญมาอัลลอสั่งนี่ไงะมล า, ายกาเล่าอันบีอิบรอฮิมฟังบอก ว, ว่าฉันเนี่ยถูกส่งมาอย่างหมู่ชนที่ทำผิด หมู่ชนครับพวกนบีลูตทําอะไรผิดอ่านไปนั่นงรู้ป่ะนบีลูตทําอะไรผิดพวกนบีลูตทําอะไรผิดฮอร์โมนเซ็กซชวลนบีลูตกับนบีอิบรอฮิมนะสมัยเดียวกันแต่รับผิดชอบอะไรนะมาด่ว่าต่างสถานที่มาสมัยเดียวกันนบีอิบราฮิมอยู่ที่ที่หนึ่งนบีลูตอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมทั้งสองกลุ่มนี่แหละไม่เอาศาสนาทั้งคู่ใช่ไหม อัลละฮ์ก็ส่งมาลายิกาลงมามาแจ้งข่าวว่าฉันจะลงโทษคนที่ไม่เอาศาสนาอิลลัลูดยกเว้นคร อ, อบครัวของลูดต่ออับดุลดนะเลาให้นบีอิบรอฮิมฟังนะนี่อิบราฮิมรู้เปล่าเนี่ยฉันจะมาเล่นงานบ้านลูดพี่น้องของลูดที่ไม่เอาศาสนาใช่ไหม ยกเว้นนบีรูตยกเว้นครอบครัวนบีลูตอลัลลอฮ์จะให้ปลอดภัยแต่ภรรยาของเขาไม่ปลอดภัยนะเล่าเลยภรรยาของนบีรูตไม่ปลอดภัยเพราะไม่เอาศาสนานอุลามะเก็อธิบายดีนะที่บายอย่างนี้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยกับนบีลูตเนี่ยต่างกัน นบีมุฮัมมัดนเนี่ยเผยแผ่ศาสนาอิสลามเจริญก้าวหน้ามากกว่านาบีท่านอื่นๆเพราะอะไรส่วนนบีลูดนบีนวัวเผยแผ่ศาสนานาบีบรหิ็เผยแผ่ศาสนาก็เยอะหลายปีแต่คนอีมาโ น, นยเพราะภรรยาไม่เอาลูกไม่เอาส่วนนบีมุฮัมมัดเนี่ยภรรยาเอาด้วยโอ้โหลไปง่ายเลยใช่ไหม แล้วก็ซอ บ, บ้านนาบีรวมมือกันช่วยนบีมูฮัมหมัดง่ายมากวันนี้มองดูตัวเราเหมือนกันพ่อมาแล้วแต่เมียยังไม่มาเลยเมียว่ารอไปก่อนมาทำบาจีก่อนต้องขอทุอายเยอะถ้าเมียมาอีกคนหนึ่งภรยามาด้วยอัลฮัมดุลิลลาถ้าลูกมาด้วยทำงานศาสนาอิสลามง่ายมากเลยทำกับกับครอบตัวเองก่อนทำง่าย กับญาติพี่น้องก็ทำงานเพราะดูตัวอยา่างผมครอบครัวนี้ก็ดีนะอ่าพักสามีก็ก็กดีภรรยาก็แต่งตัวดีอะไรดีปูดจาดีไม่นั่งนินทาชาวบ้านเรื่องนินทาเนี่ยผมกลัวมากเลยนะ <c oughs> นั่นอย่านินทาชาวบ้านใช่ไหมถ้าภรรยามาเอ า, าศาสนาตัวเองเอ า, าศาสนาลูกเอ า, าศาสนาด้วยอัลฮัมดุลิลลา เผยแพรอิสลามง่ายมากแค่นั้นดูรูปแบบนบีหัมัดสุลลัลอะไอยุสสลัมอินนาละมูนัดยูฮุมอะเมาอินแท้จริงเราจะเป็นผู้ช่วยพวกเขาทั้งหมดให้รอดคือครอบครัวนบีลูตทั้งหมดรอดนะครับและคนที่อีมานตอนนบีรูตทั้งหมดรอดหมดนี่อัลลอฮ์สัญญาบอกกับยิบรีนมลากิกาลงมา บอกกับนบีลูดนบีอิบรอฮีมด้วยว่าคนที่อะไรนะคนที่เอาศาสนารอดหมดอันนี้ตรงนี้ถ้าไม่เราเข้าใจเพิ่มเติมอีกว่าคนวันนี้คนที่เอานาบีมุฮัมมัดรอดคนที่เอาซุ น, น่านาบีมุฮัมมัดรอดคนที่ขวางซุ น, น่านาบีมุฮัมมัดไม่รอดแต่อัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษเท่านั้นเองวันนี้นะจะลงโทษ ต, ตอนไหนรู้ไหม หลังตายนั่นคุกรอานว่าไงนะรูบามายาวั ด, ดุลลาีนอากาฟุลาอกานูมุสลิมินบ่อยครั้งเหลือเกินที่คนกาเฟ่นอนอยู่ในสุสานบ่นว่าถ้าฉันได้เป็นมุสลิมเสียก็จะดีเสียนี่กะไรสายไปแล้วเห็นไมเป็นเล่นงานตอนไหนตอนตาย นั่นาน่ะจะให้เห็นบนดุนยานิทีหนึ่งนี่เล่าให้เราฟังว่าสมัยก่อนนั้นอาดามไดเรกมาจากฟากฟ้ า, ฟาลงมาเลยนะได้แท้จะฟากฟ้ า, ฟาลงมาหาเลยนะตุ้มลงมาเลยนะแต่สมัยนี้นะอัลลอฮ์ไม่ให้ไดเรกจากฟากฟ้ า, ฟ า, ฟาลงมาถึงข้างล่างจะให้ทําสงครามเนี่ยอ่าจิฮาดกันอะไรกันต่อสู้กันดีนะไอคนออกจิฮาดก็มีผลบุญด้วยนะ่ะสมัยก่อนเนี่ย ยี่ห้านไม่มีเอาลองลงโทษสั่งข้างบนหึ่มตุม้มจบใช่ไหมแต่สมัยนี้ทำโดยลีลาเอ้าเอ า, เอาส่งบุรุมาไปเตือนก่อนบอกก่อนอะไรก่อนมีทีวีสีช่องบอกก่อนเดี๋ยวไม่ชาจะเล่นงานหนักนะท า, า, าไม่กลับเนื้อกับตัวระวังระวังอย่าเล่นงานพวกท่านอย่างนี้เป็นต้นนี่อย่าคิดว่าทีวีมาด้วยความบังเ อ, อิญนะไม่ใช่นะเอารถจัดนะเอา ลอออาควาตต้องขอบคุณอัลลอ์สุบฮานาลาะมีอุลมามะส่งมามาสอนกันอะไรกันพี่น้องอัลลอฮอัควลลาตต่อมาอายะสุดท้ายอิลลัมรออาตหูอิลลัมรออาตุอิลลัมรออาตาใช่ไใช่ป่าอิลลัมรออาตาหูยกเว้นภรรยาของลูตจนลองว่า ครอบครนะัวนบีลุตกี่คนคนที่เชื่อนะบีลุตปลอดภัยหมดแต่ภรรยานะบีลุตไม่ปลอดภัยเพราะอะไรก็ดารนานะแท้จริงเราเนี่ยได้กำหนดแล้วกำหนดว่าเธอเป็นชาวนรกเห็นไหมสรุปแล้วผัวช่วยเมียได้ไหม <c oughs> เมียเป็นโต๊วครู ไอ้ผัวเป็นโตรครูเป็นอาเ ล, ลมูร์มาแต่เมียนศาสนาไม่เอาช่วยรอดไหมไม่รอดลูกไม่เอ า, าศาสนาพ่อช่วยไม่ได้ฉะนั้นอิมานของใครของมันฉะนั้นการเชิญชวนกันบอกกันเตือนกันอัลลอฮฺอักบัดเป็นของดีหมดเลยแล้วก็อลัลลอฮ์กำหนดนะคนที่เตือนคนถูกด่าทุกคนอา้าวมีใครบ้างเตือนคนแล้วมันไ ม, ไม่มีใครดา่าไม่ไ ม, มีถูกหมด ไอ้ทูดแล้วก็อดทนสวัดนั่นละมีรางวัลก็พวเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะหาว่าคณะใหม่กันใช่ไหมนะเนี่ยโบคณะใหม่ดูดูดูดูมันทำดูมันทำแค่มาน้าอาซูโบนักคณะใหม่แล้วแค่มาอ่านตำสิทธาหาว่าคณะใหม่ไม่ที่ไหนอ่ะถ้าตายอยู่พุงนี้อยู่แล้วเนี่ยกูอ่านยังไม่ได้อ่านเลยนีะเพิ่งมาอ่านวันนี้เองเนี่ยอิลัมรออาตาหูกอรดารนา ยกเว้นภรรยานาบีลูธเพิ่งรู้ว่านาบีลูธเป็นคนดีเมียไม่ดีรูจักุรานอต่อมาอินนาฮะลามินัลกอบิรินแท้จริงนางจะอยู่ในหมู่ผู้ไ น, นะผู้รังอยู่ข้างหลังคือถูกลงโทษร่วมกับคนชั่วทั้งหลายต้น เพิ่งรู้ว่าโอ้พระยาตัวครูช่วยตัวครูพาพาภระยาไปสวรรค์ไม่ได้เพิ่งอธิบายจากอาญานีเมียอีเมียอะไรนะเมียนบีนบีช่วยได้ไหมไม่ได้นบีามุมมันเลยบอกว่าฟาติมาจารลูกเอ้ยถ้าต้องการสวรรค์สุดยูนเยอะๆพ่อช่วยไม่ได้ใช่ไหมถ้นลูกเราเหมือนกันไนอนทหากต้องการจะให้ พ่อเป็นคนดีต้องการลูกเป็นคนดีต้องเรียนาศาสนาต้องเข้าใจาศาสนาถ้าทิ้งาศาสนาไม่มีสิทธิ์ต้องทําตามนาบีเอาละทำไปลยละมีภรรยาใครบ้างที่ตกนรกที่เป็นนบีนะนบีอะไรนะะภรรยานาบีนวัวฮ์ภรรยานาบีลูดแล้วก็สามีชั่วแล้วก็ภรรยาไปเป็นชาวสวรรค์ภรรยาใคร ภรรยาฟิรโอนฟารโรน่ะตัวแสบแลวนะ <c oughs> ไม่เคยเป็นหวัดทางชีวิตอลัลลอเมตตาแข็งแรงเงินเยอะแต่เป็นชาวนรกต้องการจะทำลายภรรยาตัวเองภรรยาขอดูอางี้รอบบิบนิีลีอินดากบับตั้มฟิลจันนะโอ้อลัลลอโปรสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันในสวรรค์ด้วยอลัลลอรับเลย วันนี้นายเป็นชาวสวรรค์แต่สามีเป็นชาวนรกเอ้าตัวนี้ภรรยาเข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วล่ะจะนึกถึงสามีสามีหายไปไหนอ่ะมาต้องไปห่วงวันนะจานามาฟีสุดูรีฮิมมิน ล, ล, ลินลินก่อนจะเข้าสวรรค์เอาลอดตาถอดออกอะไรนะ่าเรื่องอารมณ์เกลียดอารมณ์อะไรนะเป็นห่วงอะไรพวกเนี้เอาออกจากหัวใจทั้งหมดเลยอิจฉาอุศยาไม่มีฉะนั้น เราเนี่ยบางทีเราเข้าสวรรค์อเมียไม่ได้เข้าบางทีเมียเข้าเราไม่ได้เข้าใช่ไหมเรื่องเสียใจเศร้าใจในสวรรค์ไม่มีหรือคนจะเรียนตำเสยกับ ว, วันนี้ไปร้อยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่อยู่ชั้นพิเศษน่ะไอ้คนสอนอยู่ชั้นล่างอ่ะอา้าไอเราสอนรองตาอยู่ชั้นล่างสอนเนี่ยเพื่ออวดคนอ่ะใช่ไหมลนะ่ะ อัลลอฮ์ให้อยู่ชั้นล่างเสียใจไมไม่เสียเพราะอัลลอ์ถอดออกจากหัวใจแล้วเรื่องอิจฉาแค่นั้นเหลือแต่รักรักรักรักรักเมตตาสงสารอัลลอห์อะห์มูลิลอิชาะลลอฮ์ข อ, อาตอนเให้เราได้เข้าสวรรค์ด้วยกันทุกคนนะภรรยาเราด้วยลูกๆเราด้วยให้เข้าสวรรค์ให้หมด س ب ح อลลอฮุมวาบิฮัมดิกะอัออิละอิลลอันตะอัสตัฟรุกะอัาตบไลสกลสกลมอลกลุมุ์มตุลลอฮ์บบรกาตุ